ตัวนี้โครตตัวนี้โครตตรงนั้นเราเข้าฟันออกเนาะตัว น, นี้โครตที่ที่หลวงพ่อองค์ดำอะฮะเขาเขาลื้อทำใหม่เหมือนแก่รอบ น, นี้ เราไม่มีอย่างอื่นนะตอนนี้เรานั่งปักหลักนั่งภาวนานะมีไม่มีคนไม่เข้าใจเรื่องภาวนายังไงบ้างเอาลองแสดงความไม่เข้าใจออกมาดูฮเออาที่จะมีความรู้สึกเนาาจพยายามพยายามทนมทนไม่ได้ริงจอทนไม่ได้จริง ทนไม่ได้จริงๆก็ทนไม่ได้นะแหละจะให้ทนได้ยังไงเราเราเราสามารถเปลี่ยนอุดบคตหรือว่าจะต้องฝืนต่อไปเรื่อยๆอะคะเอ อ, อ น, นี้ต้องถามตัวเองแหละไปเจอค่าศึกจะหลบหรือจะสู้จะของไปเจอเองอะ่ะเ อ, อ๊ะกูจะหลบหรือกูจะสู้กูจะมี <laughs> เอา้ายิงอีกยิงประเด็นอีกอ้าวถามใหม่ดูถามใหมาด่ดูคนยังไม่ได้ตั้งใจฟังเอาถามใหม่ดูอา่า กับการที่มีความทรมานอย่างนี้ค่ะควรจะต้องถอยเป็นอิริยาบถหรือว่าตู้ต่อจนประตูแรกที่เราเจอด้วยกันทุกคน คือความทุกข์ที่เราไม่เคยฝ่าฝืนนั่นแหละด้วยเที่เราเจอแล้วก็เราก็หลบเราเจอแล้วเราก็หลบเราไม่เคยฝา่าฝืนเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งกี่ครั้งกี่หนกับความเป็นอยู่ในชีวิตของเราก็ตามในวิชาการการงานอะไรต่ออะไรของเราก็ตามเราก็เคยเจออย่างนั้นเราไม่ใช้วิธีนั้นแต่พอเรามาภาวนา ว่างานทุกอย่างมีอุปสรรคงานภาวนาของเราก็มีอุปสรรคอุปสรรคก็คือนี่แหละไอ้ความที่รู้สึกว่าเจ็บปวดทรมานนี่แหละแท้ที่จริงอันนี้เป็นด่านแรกที่คนคนไปเจอแล้วก็ตันแล้วก็หลบค น, นไปเจอแล้วก็ตันแล้วก็หลบก็เขาไม่ไม่ไปหน้ามาหลังแหละแต่มันมีวิธีการต่อสู้มันมีอาวุธที่เราจะต้องต่อสู้ สิ่ที่เหลืออดเหลือทนก็คือความเจ็บความปวดความทุกขเวทนานี่ยแหละที่ฉันเรียกว่าทุกขเวทนาท่านให้มาพิจารณาในแง่ของเวทนาเวทนาก็คือใจมันรับรู้รับทราบท่านแปลว่าสวยอารมณ์สวยอารมณ์ใจมันเป็นผู้รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบแล้วมันไม่ใช่รับรู้รับรู้รับทราบเฉยๆมันมีเกณฑ์ของมันเกณฑ์อย่างหนึ่งคือคือความยินดีความชอบใจ โดยเหตุที่เราไปสัมผัสแล้วมีความสุ ข, เ, ขเรียกว่าสุ ข, ขเวทนาเกณฑ์อีกอันหนึง่งพอเวลาเราไปสัมผัสแล้วมันมีความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเช่นอย่างเรานั่งเราเริ่มนั่งเราเบาสบายปลอดโปรง่งยินในท่าทีที่ว่าก็ยิ้มยิ้มย่องหน่หวใจตอนในขณะที่ร่างกายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเราก็มีความสุขที่เรียกว่าสุ ข, ขเวทนา สุขเวทนามันก็พร้อมที่จะหลอกเราได้เพราะเรานั่งไปนานๆความทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นความทุกขเวทนามันก็พร้อมที่จะหลอกเราได้เพราะอาจินกรรมของเราของท่านเนี่ยพอเราเจอสุขเวทนาเราก็ยึดขมายึดขมายึดขมาพอเราไปเจอทุกขเวทนาพอไปเจอแล้วรู้สึกว่ามันไปสัมผัสทุกเราก็ผลักออกไปปลักออกไปปลักออกไปมันไม่อยู่อย่างนี้เป็นอาจิน เราก็พูดมาหลายรอบแล้วสาเหตุต้นต่อที่ทำจะทำให้เราเกิดความโลภมันก็มาจากตรงนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธคือความไม่พอใจถ้ามันมาจากตรงนี้นมันมีเกมความรู้สึกอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ากลางกลางทุกขมสุขเขเวธนาจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มันเป็นกลางๆแต่ไอ้คำวามลางกลางๆในทีนี้มันไม่เคยคงที่ มันเพื่อที่จะโน้มเอียงมาเพื่อสุขพร้อมที่จะดีใจมันยังตัดสินอารมณ์ไม่ได้มันจะดีใจหรือว่ามันจะเสียใจ ท, ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์กลางๆที่เรียกว่าอัอตุขมสุขเวทนา <c oughs> ทั้งสุขเวทนาทั้งอัตุขเวทนาเราไม่ต้องฝ่าฝืนมันไม่ต้องอดมันไม่ต้องทนแต่ถ้าพอไปเจอทุกขเวทนาเนี่ยนี่เราถือว่าต้องทนทุกต้องทรมาน วิธีการต่อสู้ท่านให้จอดูจะอยากเรานั่งภานาพุดโทพูดโทพูดโทเนเริ่มแรกมันก็มีสุขเวทนาไม่ก็จะมีปัญหานะกพราะทไปทําไปมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปมันเริ่มเจ็บเริ่มปวดปวดเอวปวดตะโภกปวดหลังเท้าปวดข้อปวดหัวเข่าปวดไหลปวดตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมีความปวดไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน พอเวลาเราไปเจอความปวดปั๊บสมมุติมันเหลืออดเหลือดทนเนี่ยอารมณ์มันรุนแรงกว่าอารมณ์ของพุโทโตทั้งให้ไม่จ่อที่ความเจ็บความปวดนะ<อ>เราดูข้อเท็จจริงของมันก็คือความเจ็บความปวดก็อันหนึ่งผู้รู้ว่าเจ็บผู้รู้ว่าปวดก็อันหนึ่งความเจ็บความปวดนั่นแหละมันเป็นสภาวะธรรมที่มันมีอยู่ มันเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะร่างกายของเราเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันเดินไม่สะดวกทําไมมันเจ็บมันปวดก็นั่นแหละภาวะที่มันมีมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราไปเกณฑ้ยังไงมันไม่ให้มันมีมันก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละที่เขาเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมความมีความเปลี่ยนความมีความเปลี่ยนความมีความเปลี่ยนของมันเรียกว่าสภาวะธรรมพอมันขัดเลือดลมเดินไม่สะดวกมันก็เจ็บมันก็ปวด พอรู้สึกเจ็บปวดปับมันรู้สึกไม่สบายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราร่างกายของเราเราอยู่สุขสบายเพราะระหว่ามันพอดีพอดีอะเย็นก็เย็นพอดีร้อนก็ร้อนพอดีอุ่นก็อุ่นพอดีอิ่มก็อิ่มพอดีถ้าอะไรเกินพอดีเช่นอย่างเราไปกดทับนานๆมันเจ็บมันปวดมากมันเกินพอดีมันก็เลออดมันก็เลออดมันก็ผิดนิสัยของเราแล้วเราไม่ยินดีแล้วเราไม่พอใจแล้วเราไม่ชอบใจแล้ว นี่เราพยายามหาเรื่องที่จะหลบพยายามหาเรื่องที่จะหลีกโดยเหตุที่เราพยายามหาเรื่องที่จะหลบหาเรื่องที่จะหลีกมันหลบไม่ได้มันหลีกไม่ได้มันไม่สะใจมันไม่สมใจทุกวที่ที่เราประสบนั่นแหละทุกเริ่มเกิดขึ้นที่ที่ใจแล้วที่แรกทุกที่กายโดยเหตุที่เรายึดกายมันก็ทุกใจไปด้วยทุกสองชั้นทุกทั้งกายทุกทั้งใจ เราลองย้อนดูว่ามันทุกข์เพราะการยึดจริงไหมเราย้อนไปดูย้อนไปดูในใจของเรานี่แหละมันทุกข์เพราะเรายึดยึดจิงไหมอุปาทานคือความยึดมันยึดโดยหลักธรรมชาติของมันไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนดอกมันหักเป็นธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้โดยเหตุที่มันยึดยึดว่ากายเราเราเจ็บเราปวดอุปาทานยึดเอา ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามตามมาพัญพุทธเจ้าท่านจึงสรุปมาที่ปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุขาสรุปความทุกข์รวบยอดมาที่ปัญจขันคือขันทั้งห้าคำว่าส ร, สรุปรวบยอดมาที่ปัญจะขันคือขันทั้งห้าหมายความว่าปัญจะขันเนี่ยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างใจ ในเมื่อมันไม่ได้อย่างใจเรากระทุกในเม่อมันไม่ได้อย่างใจเรากระทุ ก, ก ท, กทีแรกมันกระทุกเฉพาะกายด้วยเหตุที่เรามีกายเรามีตนเมื่อเรามีตนเราก็มีกายเรามีกายมันจึงมีตนกายเราเจ็บกายเราปวดเรายึดแล้วด้วยเหตุที่เรายึดมันกระทุกเราเจ็บเราปวดแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักที่ท่านสอนให้เราพิจารณาเวทนาเนี่ย S <S เจ็บศักดิ์ทว่าเจ็บจริงๆปวดศักดิ์ทว่าปวดจริงๆแต่ต้องหมายความว่าสติของเรากํามหลจดจอต่อเรื่องอยู่นั้นแหละที่จะเรียกว่าเรามีภูมิสมาธิของเราแน่นหนามั่นคงเสร็จแล้วเราพร้อมไปจะพิจรารณาทางด้านปัญญาเพื่อให้เห็นสัจจะที่แทยย้จริงที่เกิดขึ้นแ ท, ท้จริงความจริงแต่และอย่างแต่และอย่างมันเป็นสัจะธรรมนะนะสุขเขเวทนาก็เป็นสัจะธรรม ทุกขเวทนามันก็เป็นสัจธรรมทุกขามาสุ ข, ขเวทนามันก็เป็นสัจธรรมอย่างที่ท่านพูดถึงอารมณ์ของมหาสติมหาสติกายเวทนาจิตธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานพระเจ้าท่านจึงทรงตั้งไว้ที่มงกุฎกรรมฐานดํารงสติกำกับผู้รู้ของเรากกึขึ้นมาเนี่ย ทำให้ตัญหาเหล่านั้นแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้เราเพ่งไปที่เวทนามันสักคำว่าเวทนาจริงๆนะความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดแต่ต้องหมายความว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิกำกับอยู่ในนั้นและมีกําลังที่เรียกว่ามีพระมีอินทรีย์มีกําลังพอมีความแก่กล้าพอ มันก็เริ่มสะสมไปตั้งแต่เราเริ่มสนใจศึกษาฝึกฝนอบรมตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัตินี่แหละมันจะค่อยๆชินค่อยๆชาจะค่อยๆมีกําลังวังชาเข้าไปเรื่อยๆความสงบของจิตจะเริ่มมีขึ้นไปเรื่อยๆความเจ็บความปวดความเชื่องชินกับทุกขเวทนากับสุขเวทนาหรือกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยมันจะเริ่มเชื่องชินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อาจะค่อยๆซึมซาบจะค่อยๆเข้าๆๆใจเข้าไปเรื่อย พอเราดูเข้าไปจริงจานเข้ามันไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆย้อนมาดูจิตจิตผู้รู้รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดแต่ในขณะที่เราย้อนมาเนี่ยสติของเรากล้าอย่าเรียกว่าจิตของเรานี้มีความรับรู้อารมณ์ที่รุนแรงหรืออารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ อันนี้สําคัญมากถ้าเราพยายามจับหลักตัวนี้ได้เราจะเข้าใจเรื่องสัจธรรมของเราได้ดีความรู้สึกจะรูชัดเจนในหัวใจของเราได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ถ้าหากสองอารมณ์สามอารมณ์มาแทรในจิตของเราเนี่ยไม่มีอารมณ์อารมณ์ใดๆสักอย่างที่จะชัดขึ้นมาสักอย่างไม่มีซะหน่อยหนึ่งอารมณ์กิเลสที่มันรุนแรงกว่ามันก็ดึงเข้าไปแล้วอารมณ์ของกิเลสที่รุนแรงกว่ามันก็ดึงเข้าไปแล้วก็เหมือนอย่างเรา ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพอพุทโธพุทโธพุทโธความรู้สึกอย่างอื่นเริ่มมาแทรกพอแทรกเริ่มซึมเริ่มซึมเริ่มแทรกแทรกเข้าไปนนเข้าห้าสิบห้าสิบเนี่ยแสดงว่าไม่ชัดสยอย่างละจากนั้นแล้วมันก็ดึงไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ยมันดึงกันไปแล้วอารมณ์ที่เคยดํารงไว้กับพุทโธพุทโธมันก็ลดลงไปลดลงไปนชพุทโธหายไปแล้วทีนี่เนี่ยมันสําคัญอยู่ที่สติของเรา สติกับปัญญากับสมาธิกับอะไรเนี่ยเวลาเขาทํางานเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เวลาเร า, าพูดเราก็เลยเอามาแยกออกมาพูดวิธีที่เราจะต่อสู้ก็คือพยายามดํารงสติของเราให้มั่นโดยเฉพาะลุงตาท่านพูดให้ฟังอย่างชัดๆเลยเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันปวดหัวเขาเราดูไปที่หัวเขาดูไปที่หอยของเขาให้เห็นหัวเขาด้วย แล้วก็ย้อนจากง้อเขาน่ะไปจ่ออยู่กับความความปวดหากภาวะของความปวดมันมีอยู่จริงมันมันปวดอยู่ตรงไหนเราก็จ่อเข้าไปตรงนั้นเลยหามันเป็นอยู่ที่ที่ร่างกายของเราเนี่ยตรงไหนที่มันขัดมันคล่องมันก็เจ็บมันก็ปวดอยู่ตรงนั้นดูมาที่รูปด้วยแล้วก็ดูไปที่เวทนาด้วยเวทนาเป็นส่วนหนึ่งรูปเป็นส่วนหนึ่งแต่หากมันอาศัยเกิดขึ้นจากรูปอ่าที่มันเจ็บมันปวด ก็เพราะอาศัยว่ามีผู้รู้เนี่ยรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดคือจิตเห็นเราจะเห็นว่าทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเนี่ยมันจะเชื่อมมันสัมพันธ์กันแท้ที่จริงมันเป็นสัจจะแต่ละอย่างแต่ละอย่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งพอเรานั่งไปนั่นน่ะนั่งนานๆเกิดทุกขเวทนาเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของมันผู้รู้ว่ากายก็คือจิตผู้รู้เวทนาก็คือจิตในขณะที่เราทํางานเราทํางานด้วยปัญญาสติปัญญาก็สักว่าเป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่เรา ยยากให้คำว่าเราย้ากให้ความรู้รู้สึกว่าเราไปโผล่ขึ้นตรงนั้นถ้าเราให้ความรู้สึกว่าเราไปโผล่ขึ้นตรงนั้นอัตตามันเกิดขึ้นตัวตนมันเกิดขึ้นเมื่ออัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นนนัแสดงว่าตัณหามันมันเกาะหัวใจของเราแล้วมันจะมันจะอ้างทันทีว่าเราเจ็บเราปวดหัวเข่าเราเราเจ็บเราปวดยิ่งเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเร็วมาก แทบไม่ถึงสามนาทีซ้ำพลิกแล้วเปลี่ยนแล้วเพราะอะไรมันดิ้นรนเพื่อที่จะเพื่อที่จะอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดเราจะเห็นกิริยาเห็นพฤติกรรมของความอยากมันแทรกมาได้ทุกกิริยาอาการมันพร้อมที่จะเปลี่ยนหน้ามาได้รอบด้านเรื่องของทุกข เ, เวทนานอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดไม่ใช่อยากมีความสุขน ะ, อ, ะอยากมีความสุขแล้วก็แล้ว อยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดแล้วก็แล้วแต่ถ้าเราทำสติให้มากให้ตื่นรู้รู้พร้อจนมันเป็นภาวะว่ารู้ผู้รู้ต่างหากไอผู้ปวดเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกต่างหากมันแยกกันโดยอัตโนมัตินะถ้าเราทำจนเฉื่อย น, นานทำจนคล่องแคล่วมันหากแยกกันโดยอัตโนมัติของมัน เราไม่ได้คาดไม่ได้ฝันเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คาดไม่ได้หมายไม่ได้ฝันแต่พอเราทําเข้าจริงจังเข้ามันจะแย่เข้ามาโดยอัตโนมัติตอนนี้แหละเราจะได้ความอศัศจรรย์ขึ้นนี่เราพูดในแง่ปฏิบัตินะในแง่ปฏิบัติแท้ๆเราจะต้องมาเล่นวงในตรงนี้ถ้าใครเข้าใจรู้เรื่องการต่อกรกันกันกบวงในข้างในตรงนี้นี่เราอยู่ท่ามกลางสัจจ์แท้ที่จริงกายก็จริงส่วนกายเวทนาก็จริงส่วนเวทนา จิตก็จริงส่วนจิตผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดจดจ่อพิจารณานั้นมันเป็นส่วนธรรมจะยังเกิดขึ้นว่ามันขาดออกจากกันนี้เวทนาขาดออกจากจิตจิตออกขาดออกจากเวทนามันขาดออกจากกันนะเพราะมันเป็นคนละส่วนอยู่แล้วแต่ อาศัยว่าตั้นหาอุ ป, ปาทานในใจของเรามันแน่นหนามันคงมันก็ลยึดอยู่อย่างนั้นแหละเกิดยังไงก็ยึดอย่างนั้นจนเราชินเราชาเป็นเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันเราตั้งใจฝึนฝนอบรมเราพิจารณามาตรงนี้เราจะเห็นความแยกของมันโดยอัตโนมัติแต่ต้องทําให้ถึงต้องทําให้พอทําแบบไม่ต้องคาดไม่ต้องหมายไม่ต้องเดาถึงแม้่เราจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านพูดใด้ฟังก็ตาม แต่เวลาทํางานเราตั้งใจทําจริงจังเข้าไปจนกว่าผลจริงจังมันจะปรากฏขึ้นมาเองอย่าไปคาดไปเดาถ้าเราคาดไปเดามันก็ประเดียวปดาเดาผลก็เป็นผลที่ไม่ค่อยจะแท้จริงเท่าไหรเ่เป็นของปลอมๆขึ้นมาเพราะประไมเเ้เอาเราคาดเอาเราสําคัญมั่นหมายเอาแต่มันก็จะดึงออกเด็ดขาดจากกันไม่ได้ดอกมันหาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ท่านพูดให้เราเข้าใจไว้เพื่อไม่ให้เราเกาะไม่ให้เราติด ไม่ให้เราสัมคันมั่นหมายว่าผิดไม่ไม่้มองกัน์มั่นหมายผิดเอาบาทีเกิดความรู้สึกแปลกประอศัศดจิตใจขึ้นมายึดยึดหอตัวแปลกประอาัาดจิตใขึ้นมาอี่ที่เรียกว่ายึดธทมยึดทมแม้แต่ยึดทรมก็มีความผิดนะอย่าว่าจะยึดกิเลสผิดนะยึดธทมก็ผิดเช่นอย่างยึดยาเ น, นี้ยก็ผิดยึดความสว่างนี่ก็ผิด ยึดปีติความสุขยิ้มเอิบเหมือนจะหอจะลอยเนี่ยยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างผิดทั้งนั้นที่เรียกว่ามนิกันตินิกันตินนตถือเอายึดเอายึดเอาถือเอามันหากเป็นความรู้มันเป็นปัญญาอยู่ที่เราเข้าไปรู้เราเข้าไปเห็นแต่มันเป็นปัญญาที่ยังถูกเคลือบแฝงด้วยกิเลสตรงนี้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติถ้าททหากเราไม่ระวังเนี่ยมันจะมาหลงอยู่ตรงนี้แหละหลงยึดหลงเกาะหลงถือหลงสําคัญมั่นหมายอยู่ตรงนี้แหละ ด้วยเหตุที่เรายึดนั่นแหละเดี๋ยวก็แอ บ, บม า, มาเดี๋ยวก็หายไ ป, ป<ๆ>เดี๋ยวก็โผล่มาเดี๋ยวก็หายไป<ๆ>เดี๋ยวขาดไป<ๆ>เดี๋ยวก็โผล่มา<ๆ>เอ้ยตัวนี้ว่าเราได้แล้วนะว่าเราผ่านเลยนะ<ๆ>แต่แท้ที่จริงมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ย่อยสลายให้ละเอียดเกิด<ๆ>ขึ้นจากการที่เราไปหมายเอาไปยึดเอาไปสําคัญมั่นหมายเอา<ๆ>โผลพาดเงี้ยยานเี้ยปีติเนี่ยแม้แต่ยานเราก็ยึดยึดไม่ได้อะไรเกิดขึ้นทั้งค่ายปล่อยทั้งหมด อะไรที่เป็นของแท้ของจริง<ม>ก็จะสําเร็จรูปหลงเหลืออยู่เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยการพิจรารณาอย่างนี้มันเป็นการทำลายอัตตาตัวตนไปโดยอัตโนมัติตราบใดเราให้มันครอบงำหัวใจของเราได้อัตตาของเรามันก็โผล่ตลอดแต่ถ้าเราพิจารณาให้ให้เห็นสักเท่าเป็นสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ลยามันเป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติผู้ให้ฟังงี้เราฟังแล้วเราเข้าใจว่า เวลาเราทำมาถึงขั้นตอนตรงนี้ถ้าเราต้องการจะต่อสู้เราจะต้องต่อสู้โดยวิธีนี้ต่อสู้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ดอกเบ้เหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราไม่ได้ศึกษาเรามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอพอมาถึงตัวนี้แล้วเราก็ถอยแล้วม้วนเสือกลับแล้วพอมาถึงตัวนี้ก็ม้วนเสือกลับแล้วพอมาถึงตนี้ก็ม้วนเสือกลับแล้วถ้าหากเราทำให้ได้หนึ่งครั้ง เป็นปฐมเป็นประเดิมเนี่ยต่อไปเราได้กติเราได้ตัวอย่างจะทําให้เราบุกหน้าได้ทถื่อเถื่อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวบเรื่องปวด เ, เรื่องเดียวเรื่องอื่นปัญหาสรารพัดที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในปัญหาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันพร้อมจะเอาวิธีการแบบเดียวกันนั่นแหละไปใช้ได้หมดเอาวิธีการแบบเดียวกันนั่นแหละไปใช้ได้หมดคือค้นหาข้อเท็จจริงของมัน ค้นหาข้อเท็จจริงของมั น, นวิธีการที่เราค้นหาข้อเท็จจริงนี่ถ้าหากไม่อาศัยการปฏิบัติไม่อาศัยภาคปฏิบัติโดยเหตุที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นจริงจังแล้วเนี่ยมันจะเห็นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะฟังจา ก, กรูปายการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ได้ประสบพบเห็นได้ด้วยตัวของตัวเราเองมันก็มาหายสงสัยนี่เป็นเป็นวิธีการ ต่อสู้กับทุกขเวทนาเราต่อสู้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรานั่งทุกครั้งมันจะไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เจ็บมันก็ปวดอยู่แต่ด้วยเหตุวิธีการที่เราเคยพิจารณาได้ก็จะทำให้เรามีวิธีการต่อสู้การที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยคปามทานที่รุนแรงมันจะค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปมันหากมีความเท็จจริงข้อหนึ่งปรากฏ ข, ขึ้นใน ห, หัวใจของเรา นี่วิธีการช้าวิธีการชำระวิธีขัดขัดเกลาเพราะบางคนเนี่เป็นไปได้ยากในการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมผลที่จะปรากฏในหัวใจปรากฏได้ยากบางคนก็ปรากฏได้ง่ายคือเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์แล้วมาเล่าให้ฟังเวลาท่านต้องการหลบทุกขเวทนาเนี่ยเพียงแค่กําหนดจุดจอปุ๊บปับ๊บ ย, ย, ยุบหายเอียบไปเลยอย่างเงี้ย เพื่อสมบูรณเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไปทำเราไม่เห็นเป็นเราไม่เห็นได้เราไม่เห็นเปลนอันนั้นมันเป็นนิสัยของท่านแต่ น, นิสัยของเราเราไปเกี่ยงเหมือนท่านก็เหมือนไปได้แต่วิธีที่ดีที่สุด น, นคือวิธีเจริญสตินี่แหละราบได้ที่เรามีสติกำกับร่อยู่เฉพาะตัวเนี่ยตันาปลาทานมันแทรกเข้ามาไม่ได้เป็นอันว่าเจริญทำทุกเรืยทุก เวลาดูกิริยาการของมันที่จะเบิกพึงสแสดงออกมาให้เราทราบให้เราปรากฏมันเป็นเรื่องละเอียดนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราย้อมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะหมุนได้รอบทิศทางเลยะเพราะเราเพราะเรารู้เ ร, เราเข้าใจย้อนมาที่จิตแท้ที่จริงเรามีจิตหนึ่งเดียวเห็นไหมมันไม่มีหลายดวงมันมีใจดวงเดียวมีจิตหนึ่งเดียวแต่กิริยาการที่มันชวนให้เราหลงนม่นมีมากมายเยอะแยะจนมีการ สมมติสมมติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้ตั้งคำเรียกสมมุติอย่างนั้นสมมติอย่างนี้ขึ้นมาบางครั้งด้วยเหตีตั้งสมมติมามากมายจนเป็นเหตุให้คำหรือนามหรือชื่อที่เรียกนั้นอนะ่ะผิดกันทะเลาะกันตีกันก็มีอ้อาวอันนี้ทาไมขัดกับอันนั้นอันนั้นทำไมขัดกับอันนี้แท้ที่จริงมีผู้รู้ดวงเดียวนั่นแหละมันไปนรู้โน้นมันไปนรู้นี้สังเกตจับ ดูตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ค่อยๆสาวตามมันไปจับดูตัวเดียวแล้วก็ค่อยๆสาวตามมันไปมันยังมันจะเป็นการศึกษาโดยหลักธรรมชาติที่จะทําให้เราเข้าถึงได้เร็วมากขึ้นนี่เวทนาเป็นเรื่องสําคัญกายเวทนาจิตธรรมอ่าถ้าตัณหามันจะแทรกแทรกมาที่กายกายเรากายของของเรา มันจะแทรกมาที่เวทนาเวทนาเราเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเรามีเวทนาเวทนามีในเราถ้าเราไม่ดูเห็นสัตว์ราว่าเป็นสภาวะมันจะมีการที่มารับอยู่อย่างนี้แหละตลอดไปเรามีในจิตจิตมีในเราเราเป็นจิตจิตเป็นเรายึดถือยึดถือผู้รู้ผู้รู้ถ้าเราดูเห็นเฉพาะกิริยาอาการที่มัน แสดงออกสักจะว่ารู้สักจะว่ารู้จริงๆแต่ถ้าหากเราดูพฤติกรรมที่มันไปเกี่ยวข้องกับนู้นกับนี้มันทําให้เกิดการหมายการคาดการหมายการเดาเนี่ยเราก็ตีความเข้าไปอีแล้วผิดอีกแล้วย้ำกําหนดจดจ่อให้รู้รู้เหลือจะรู้อย่างเดียวไม่มีกิริยาอะไรอย่างอื่นไปปรากฏเนี่ยเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวเค็งนิ่งดูดิสามารถย่อยละเอียดได้ถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นนะ นี่คือจิตของเราเสร็จแล้วก็ผลรายได้ที่เกิดขึ้นที่ท่านพูดถึงทำทำทำกายเวทนาจิตทำทำนั้นท่านให้พิจารณาตามหลักมหาเศรษฐิปฐานนั้นท่านให้พิจารณาเราจะพิจารณานิวรณ์ห้านี่ครัถือว่าเป็นเรื่องธรรมเราจะพิจารณาโพอชฌงค์จิตเจ็ดเนี่ยสติธรรมะวิจชยะวิริยะปีติปัสสัตธิสมมาทิฏฐเบคาแต่และอย่างแต่และอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมเราจะพิจารณาทุก คือนเรื่องของธรรมพิจารณาสมุทยัยพิจารณานนโรดพิจารณามาัตตในอริยสัจทั้งสี่นี้ถือว่าเป็นการพิจารณาธรรมสิ่งที่มีแต่กิริย า, าการภายในใจของเราท่าเรียกว่ากิริยาอาการของธรรมธรรมนี้ปรากฏที่จิตเราก็ใช้จิตเนี่ยพิจารณาอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตมันเป็นเหตุทำให้ดังงงนะแต่ถ้าหากเราเข้าใจว่าจิตของเรานั้นเราใช้ เอาสติเอาปัญญาผ่านการใช้จิตจิตนี้แหละไม่ฉลาดมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปนู่นเปลี่ยนแปลงไปนี้ดูเห็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นอย่างนี้มันมันค่อยค่อ ย, อยชะค่อยๆล้างตัวเองไปในตัวอันนี้คือธรรมะที่เสถียรธรมารมธรรมารมณ์ธรรมะในที่นี้หมายถึงว่าธรรมารมณ์มันมีธรรมะอย่างหนึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรา ท, ทําเช่นอย่างเราตั้งใจนั่งภาวนาไปแล้วนี่ยมันสว่างเนี่ย คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติความสว่างโอภาสความสว่างญาณนี่ความอย่างรู้ก็มารู้อะไรมันทะลุกโคร่งไปหมดน่ยทั้งให้พิจารณาความสว่างทั้งให้พิจารณาไม่ใช่ยึดเอาอถ้ายึดเอามันจะเข้าใจว่าเรารู้เราเห็นความสว่างเรามีญาณเรามีปีติดูย่อยจนเหลือแต่กิริยาการของความสว่าง เดืดกิริยาการของความรู้กิริยาอาการของปีติความเ อ, อิบอิ่มภายในใจของเราภายในกายของเราเนีจ้าิสลายไปถึงขั้นนั้นระดับนั้นอันนี้เราพิจารณาถึงผลผลจากการที่เราตั้งใจภาวนาแล้วมันมีผลปรากฏหัวใจของเรามันมีธรรมะส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่เป็นธรรมารมภายในหัวใจของเราธรรมะอีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่เป็นส่วนผลที่ปรากฏจากการที่เราตั้งใจปฏิบัต เราปฏิเสธไม่ได้ดอกถ้าเราตั้งใจภาวนาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราจะต้องพบต้องเตอือเราจะต้องมีความสงบพอกวักเบม ๆ, บๆหรือพิจารณาทัหน้าปัญญามีความสว่างวอกวักเบิ่มๆเราปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีมันต้องเป็นเวลามันเกิดมันมีมันเกิดขึ้นมาถ้าเรายึดอนุเกิดมาเราก็ยึดอันนี้เกิดมาเราก็ยึดท่านให้กําหนดรู้แล้วก็ปล่อยกำหนดรู้แล้วปล่อย re, ร, รับทราบโดยเหตุที่สติเรามั่นคงกว่า มันหายไปจริงพราเจอรับทราบมันมาหายไปจริงจอแล้วก็รับทราบมันมาหายไปจริงถ้าหากไม่หายสติปัญญาของเรายัางไม่ชาติเจนพอยังไม่รุนแรงพออารมณ์เหล่านะั้มันติดใจเราก็ติดตกติดใจอยู่อย่างนั้นอารมณ์ความตื่นเต้นตื่นตั น, ตนอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาเราสงบระงับไม่ได้แต่ถ้าหากเรามีกําลังพอเราสามารถเจาะสงบระงับได้มันเป็นอื่นไปได้เลย นี่กายเวทนาจิตธรรมทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมมันเป็นช่องทางที่ตันหามันพา พ, พิงเข้าสูงไว้ใจของเราพระเจ้าท่านจึงให้เอาอารมณ์ทั้งสี่อย่างนี้เนี่ยมาทำกับเป็นบทกำหนดจดจ่อพิจารณาใข้ครวญคลี่คลายย้อนหน้าย้อนหลังตามหน้าตามหลังปริแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้เราทิ้งสมถะ คำว่าสมถาหมายาว่าจิตสงบอย่างเดียววิปัสนาคือวิวปัสนาลักษณะของเจริญการเจริญสตินี้มันสงบด้วยแล้วก็เราตามกิริยาการของความสงบความเป็นไปของจิตด้วยเช <c oughs> ่นอย่างเราบาริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราก็กำหนดดูผู้ว่าพุทโธด้วยพุทโธ พุทโธพูดําริว่าพุทโธมันมีอยู่อารมณ์ที่เป็นพุทโธอีกอย่างหนึ่งผู้ดําริว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งมันจะเห็นอาการของมันที่มันดําริว่าพุทโธออกมามันละเอียดลึกเข้าไปอีกลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าใช้สติกํากับคู่ควบคู่กันไปด้วยมันจะเป็นสมถะก็ตามเถอะมันจะเป็นวิปัสสนาก็ตามเถอะมันจะเป็นวิปัสสนาเจริญสติให้เกิดวิปัสสนาก็ตามเถอะ ว่าแต่ตัณหามันไม่มาแทรกในหัวใจของเราอันนี้คือจุดเป้าหมายคือความประสงค์เราต้องการจัดัดสิ่งเหล่านี้คือตัณหาในหัวใจของเราตัณหาคือความอยากความอยากนี้ก็อธิบายฝั่งหลายรอบแล้วแหละความอยากคือตัณหาการมตัณหาเพราะว่าตัณหาวิพัาตัณหาอาการของความอยากคืออาการของใจของเรานบางครั้งอาการอยากที่กายมันส่งไปที่ใจ บางครั้งอาการอยากที่ใจอ่ะมันโจงมาที่กายเราสังเกตไหมเคยสังเกตไหมเช่นอย่างความอยากที่กายร่างกายมันบกพร่องเนี่ยบกพร่องที่ท้องเนี่ยโอ้โอ้รู้สึกหิวขึ้นมาอีแล้วเพมันทํามันชวนให้ใจอยากเข้าไปด้วยเพราะร่างกายมันท่องอาหารเนี่ยมันอยากอาหารเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาที่เกิดความต้องการขึ้นมาที่กายใจมันก็ปล่อยอยากไปด้วยมันที่เกิด นึกคิดได้อยากที่ใจมันก็เป็นเหตุทําให้กายเรากําเริ่ไปด้วยรวมไปถึงตัณหาราคะที่มามีความเกี่ยวข้องผูกพันในจิตของเราเช่นเดียวกันตาเราเข้าใจมันจ ะ, ะโยงระยางมันจะพุ่งเป็นร่างแหไปหมดจอกันหมดจ่จ่ อ, จอพิจารณาไปยังไงมันมันมันเป็นเส้นสายเดียวกันหมดเพราะมันมาจากพูดพูดหนึ่งผู้เดียวคือจิตที่สำคัญที่สุดเราอย่าลืมจ่อจิต ยืนเดินนั่งนอนอย่าลืมจอมัธยจิตเนี่ยเราไปที่อยู่ได้เป็นอย่างดีถ้าเราับ <Hello, S 1> มาแล้วไป ย, ย, ย, ยอ น, ย, อ น, ah? นย้อนย้อนมาธิคิดเละย้อนมาทธิจิตเลยว่าไปเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอาอาพวกเรานั่งต่อสู้เอาดานนี้นะเอาให้ได้ทุกคนให้ได้ด้วยกันทุกคนนะดานนี้แหละดานเจียบดานปวนนี่แหละอา้าตเอาไปเงียบพูด มันมีความรู้สึืองหน่งมันมีความรู้สึกเร่องหนึ่งว่ามันปวดมากการเยียวยาจางออกแต่ว่าพอลอปุ๊บมันมันจะมีสองภาวะค่ะภาวะแรกมันจะเหมือนแบบว่าพยายามที่จะจับลมหายใจแล้วมันกั้นมันเหมือนเราพยายามจะหายใจจับลมแล้วมันทำให้เราแบบว่าเหมือนเหมือนเราอากาศมันแบบว่ามันเหมือนเป็นคนที่แบบว่าต้องการอากาศหายใจตลอดเวลาเหมันกับมันอนจอัดอะค่ะเป็นอีกสภาวะหนึ่งก็ลองลองที่ไปจับลมที่ เสร็จทุกตัวพอจับเฉียดปวดแล้วก็ลองคิดในใจลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสักพักมันรู้สึกสว่างโล่งแล้วก็กลับมาใหม่ตรงที่จับลมหายใจอื ม, มันก็เหมือนจะสว่างโล่องอีกมันก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เปลี่ยนตำแหน่งปวดแล้วก็ลองลอ ง, ลอ ง, ลองใช้วิธีเดิมก็คือเออไปมองที่นาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันดีขึ้นค่ะแต่แล้วก็มีอีกสภาวะหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวมีมดเดี๋ยวมียุงเดี๋ยวมีโน่นนี่นั่นมากัดซึ่งพยายามที่จะปล่อยมาตรงนั้นแต่ในความรู้สึกลึกๆเราบอกว่าเราไม่อยากเกิดโลคหรือไม่อยากใ ห, ให้ให้ตัวอะไรที่ไม่ใช่หรือเปล่ามักนกัดเราแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเออปาดหรือว่าเทาตรงนั้นไปอะค่ะอาจารย์แต่รู้สึกว่าวันนี้หนูอดทนมากขึ้นนะคะอาจารย์ hmm. มันมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบที่ทำให้เราได้พิจารณาตามรู้ตามพิจารณามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าสักแตว่าเป็นคำพูดมันเกิดเยอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแนะอย่าสักแตว่าเป็นคำพูด ให้สั่นทันอาการมันด้วยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วนะอะไรตั้งอยู่อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปต้องรู้นะเพราะคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่เราพูดจนคล่องปากอะไรเกิดขึ้น อะไรตั้งอยู่อะไรดับไปต้องรู้ต้องละเอียดเข้าไปอีกต้องเจาะละเอียดข้าไปอีกสติของเราต้องยะเดับโโ ร, โรขึ้นมาขึ้นมากขึ้นปัญญาของเราก็จะแหลมขึ้นมันไม่ง่ายนะที่เราจะไปจับตรงนั้นได้ถ้าเราอยู่ในวงในตรงนั้นได้สติปัญญาของเราละเอียดความปาะดจษจอต่อเนื่องของเราจะละเอียด อ่าความเข้าใจสภาวะธรรมข้างในของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นความหมายนี่แหละแล้วแต่ตานที่เราไม่ทันมันดอกมันหน้าเดียวนั่นแหละหน้าเดียวคือหน้าความอยากนั่นแหละมันหากมันมาในรูปแบบหลายรูปแบบหลายหน้าหลายหน้ากาดทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้นเมือ่อเรา ไปจำนวนกับความเกี่ยวความปวดแต่ความเจตนาของเราเราตั้งใจตั้งจดตั้งใจจะอดจะทนจะดูเนี่ยแต่ความรู้สึกเหมือนมันอึดมันอัดมันขาดลมหายใจอะไรอะไรเราดูให้ชัดเจนย่ายมันหลอกความรู้สึกเหล่านี้มันหลอกมันเป็นความรู้สึกที่มันหลอกเราแต่เข้าเราเข้าไปรู้ แล้วเราอ่านออกมาได้แค่นี้กณนา่าไปเยี่ยมแล้วแหละเราอ่านออกมาได้แค่นี้กน็น่าไปเยี่ยมได้ว่าตามรู้ได้ลเอียผลที่เกิดขึ้นกับคําพูดของเราเนี่ยต้องให้มันเข้ากันนะต้องมันเข้ากันอย่าอย่าให้มันออกมาในลักษณะว่ามันคล่องแต่ถ้าเรารู้แค่ว่บเดียวเท่านั้นแหละอะ แว บ, บเดียวที่เราเข้าใจกิริยาการเหล่านั้นเนี่ยเราพัล น, า, า, น า, าเท่าไหร่มันกบพัลนาไม่หมดมันจะพัลนาเท่าไหร่ก็พาลนาไม่หมดแวบบเดียวเท่านั้นแหละยายามทำให้มีให้เป็นยายามทำให้จดจอให้ต่อเนื่องอันนี้แหละคือการพยายามเข้าไปรู้ข้อเท็จจริงว่าคืออะไรเป็นอะไร ท่านว่าอนัตตานัตามันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันเหลือแต่ความหมายความหมายคือคือสัญญาสัญญาถ้าเราปลา่อยเกเมันเข้าไปสวมรอยโดยที่เราไม่รู้จักมันก็้ามาในในหลายรูปหลายรูปแบบมาหลายหลายรูปแบบแล้วอะไรจะและ้วเราจะหมายหมายอะไรก็เป็นอันนั้นหมายอะไรก็เป็นอย่ น, นั้น แค่ความเจียวความปวดนี่แหละแล้วหมาอะไรมันก็เป็นอันนั้นหมาจะหนักหมาจะเบาห <c oughs> มาจะไม่หายใจหมาจะอะไรพอแต่มันโผล่ขึ้นมามันหมายอะไรมันก็เป็นอันนั้นหมายว่าเป็นพุทธเป็นแมงหมายว่าเป็นยุงหมายเวทมาเป็นเหล่าเราลองเจาอให้รู้สักว่ารู้ลองดูดิ <c oughs> มันจะไม่อยู่นะ <c oughs> มันมันจะไม่อยู่กับกิริยาการที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาให้จิตเลยไหมเพราะจ่อเข้าไปมันจะย้อนเข้ามาใหาจิตมันทิ้งอนนั้นไปเลยนะมันทิ้งไอ้กิริยาที่เราท่านที่เราจอนะ่อย่อเข้าม า, าจิตอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นดูแนละสังเกตสังเกตเข้าไปเรื่อยๆจะทําทให้เราได้ปัญญาเพิ่มขึ้น ความปัญญาปัญญาเหล่านี้แหละดูไปแล้วมันเหมือนความสว่างข้างในเราเห็นข้อเท็จจริงวิยาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทั้งนั้นแหละภาวะของรูปกับภาวะของนามมันทํางานเกี่ยวข้องกันทุกระยะทุกเวลาเวลาเราก็หนดจดจอดูว่าคืออะไรเป็นอะไรมันเป็นได้ทั้งหมดเกี่ยวกับกายใช่ใช เกี่ยวกับอารมณ์ตกลงไปแล้วก็ใ ช, ญญใช่จะเป็นสัญญาก็าใช่จะเป็นสังขารกรใช่จะเป็นวิญญาณจะเป็นอะไรมันใช่ทั้งหมดเพราะมันรวมทํางานกันเป็นอันเดียวกันมันไปจากผู้รู้ดวงเดียวเพระฉะ น, นเราเดินเดินยุ่งยากวุ่นวายมักเกาะอยู่กับตัวเดียวด้วมันก็พออยู่มันก็น่าอยู่ มก็เป็นการพักไปเดินเดินเดินเดินเดินพี่เกียร์เลยยุ่งที่เกียร์ยุ่มักกอกอยู่ตัวเดียวเลยอย่างอื่นมันหายไปหมดมาพออยู่มันก็น่าอยู่เอาเราขยับเข้าให้ดีเขา้านาได้เดี๋ยวและสาธุสาธุาธอืมมีอะรอย่างอื่นตามมาอีกมีไหมยังไม่เข้าใจคาะอาจารย์ คำว่าหมายว่าคำว่าหมายว่ากับการ จ, จดจ่อตรงนั้นอาจารย์อธิบายนี้หนึ่งค่ะความหมายความหมายนี่มันเป็นเรื่องของสัญญาความหมายมันเป็นความหมายของจิตความหมายก็คือมันคาดมันเดาที่เรียก ว, ว่าหมายหมายเนี่ยเหมือนอย่าเร า, เราพูดถึงบ้านเราอย่างนี้เปรียเทียบที่เราเคยเห็นบ้านของเราเนี่ยความจํามันก็เกิดขึ้นโอ้เป็นงั้นเป็นงั้น หมายว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นหมายว่าคนนี้จะเป็นอย่างนี้คนนั้นอยู่เป็นสุขไหมคนนั้นรู้สบายไหมเขาบอเออตอนนี้ฝนกํนลาลังตกอ้ตอนนี้กํลาลังหนาวจัดแล้วก็หมายเข้าไปอีก<ม>ความหมายนี่คือการคาดการเดามันเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งของสัญญาตัวสัญญาแต่มันเป็นกิริยาการของใจนะั่นแหละทั้งการจําทั้งการหมายทั้งอะไรแต่อะไรมันเป็นเรื่องของสัญญาหมายเช่นอย่าง เรากำหนจดจุดจ่อร่างกายของเราหมายว่าเป็นผมหมายว่าเป็นขนหรือไม้กระดูกเนี่ยหมายเห็นเฉพาะกระดูกมันก็ตั้งสัญญาณกระหม้ว่าเป็นกระดูกความหมายตัวนี้มันเป็นการคาดการเดาการหมายมันเป็นเรื่องของสัญญาแต่มันเป็นธรรมถ้าเราคาดหมายมาในแง่ของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นธรรมพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญนนี้จะสัญญาเนี่ยให้เราหมายว่าไม่เที่ยงนี่ แท่จริงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วแหละแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เห็นชัดเจนด้วยสัจจะเราก็ให้หมายเอาไว้ซะก่อนมันยังไม่ได้ถึงใจเสติปัญญาของเรายังไม่แหลมคมพอยังไม่เห็นอนนับแต่สัญญาเนี่ยหมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกข์สัญญาเนี่ยหมายว่าเป็นทุกข์อสุภะสัญญาเนี่ยหมายว่าไม่งามไม่งามยังไงไม่งามอย่างนั้นไม่งามอย่างนี้ เพราะสิ่งเหนี้มันเป็นปฏิปักษ์กับตันหาทั้งนั้นถ้าเราเจริญสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปับ๊บมันเป็นการตัดกําลังของตันหาในหัวใจของเราแล้วมันเป็นการแทนที่เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพรามันโดยจิตใต้สำนึกหรือไม่จิตสนึกก็ตามแต่ถ้าเาราหมายอย่างนี้มันมีเจจจํานงมันเป็นการปิดกั้นไม่ให้อาตัวจริงที่มันคอยแทรกเข้ามาเนี่ยมาแสดงตัวได้ มันใจของเราดวงเดียว น, นั่นแหละหาพลิกแปงด้วยสติด้วยปัญญาในตัวของตัวเองน่จะแล้วกิริยาการมีหลายอย่างท่านก็นมาบัญญัติว่าเป็นมุ่งว่าเป็นนี้ว่าเป็นนี้ว่าเป็นนั้นอาหมายเขาย้าใจยังรู้อย่างหมายหมายใช่อย่างเราหมายหมายว่าหมายเราก็าาเราตายนอนอาปากเจ้าวอยู่เนี่ยแล้วเริ่มขึ้นอือเริ่มป่วยเรมเนา่านี่ท่นเรียกว่า ให้เจริญอันนี้จะสัญญาหรือมันก็อสุภสัญญาสําคัญว่าเป็นเปื่อยเป็นเน่านอนเจาะน้ําเหลืองน้ําเขียวไหลเยอะคำบอกว่าที่กลิ่นโอ้กลิ่นแสบกลินจนเลืออดเลอทนคำบอกว่ามันร่งวรงคำบอกว่ามันพุ่มคำบว่ามันพังนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม้ เราจะว่าคิดก็ใช่เพราะว่าจังขานก็ใช่เราจะว่าสัญญาก็ใช่แต่วิธีปฏิบัติเราจะไปสําคัญกับคําพูดเหล่านั้นให้เราดูอาการจริงๆที่ใจอาการที่จริง ๆ, ๆที่มันเกิดขึ้นที่ใจมันมีอยู่พยายามดูตัวนี้แล้วเราจะได้ศึกษาักธรรมชาติที่แท้จริงเท่าโดยที่สัญญารมมันจะไม่ค่อยจะหลอกเรานักมีอะไรอีกจ้ะเนี่ อาา่าัดเข้าใจเริ่มเข้าใจไปบอกแล้วก็เข้าใจทีเดียวยังไม่ได้ก็ไปทําให้เข้าใจแต่จริงคําพูดของคนเดียวปัญหาข้อข้องใจของคนคนเดียวพอเราพูดไปแล้วมันทําให้เราได้ประโยชน์ทั้งหมดทั้งทุกคนที่ได้ยินได้ฟังได้ได้รับประโยชน์เหมือนกันหมดเพราะคำพู้ที่ทําให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เป็นการจุดประกายให้กับตัวเองด้วยกับหมวกกับเพื่อนด้วย มันก็เป็นเรื่องดีเพราะปัญหาหนึ่งหัวใจมันไม่ต่างอะไรกันดอกมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันมันเหมือนๆกันอืม <c oughs> <c oughs> เอานะละวกเราได้ค้อคิดข้ออ่านแล้วอย่าห่างใจอย่าห่างเก็อย่าหา่างใจกับตัวเองอยากเจอให้มีสติให้มีปัญญาเ พ, พิ่มพูนจนมีพูนขึ้นเข้าเอ่อเอ า, เอาแค่นี้ก่อนเท่านี้ก่อนวันนี้ โปรแกรมต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปเินข้าวโรงแรมนะครับ